ตอนที่ยีเจ็ดเนื้อสี่สิบช่างตกลงรับไว้ชินเสียวเยเว่ที่กินแต่อาหารจืดชืดมาหลายวันวันนี้ที่บ้านลุงหวังนางกินจนพุงกลางข่าวดีก็คือนางหายอยากแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือลำไส้และกระเพาะของนางรับความมันขนาดนี้ไม่ไหวท้องเสียขึ้นมาทันทีชินเสียวย้าวเป็นอย่างไรบ้างยังปวดท้องอยู่ไหมซูมานอินเอามืออุดจมูกยืนถามด้วยความหงอยใหย่อยู่หน้าซุม่มชินเสียวเยวบยุงผนังเดินหน้าซีดออกมาจากข้างใน ปวดท้องนะ่าเรื่องรองค่ะแต่ที่สำคัญคือขาของข้ามันสั่นจนรับไม่ไหวแล้วแล้วจะยังอยากอยู่ในชนบทอีกไหมละ่ะซูมันอิมพยุงลูกสะพายพลางเยาเล่นถ้าอยากอยู่ท่าม้าของเจ้าต้องยืนให้มั่นกว่านี้นะชินเสียวเย่เว่พยักหน้ายอมรับคำสอนอย่าพูดเลยข้ามีปิ่งจือเหลือไม่ข้าขอรองท้องหน่อยเดี๋ยวนั่นนี่ยังจะกินอีกเหรอก็ท้องมันว่างแล้วก็ต้องเติมเข้าไปสิคะ ซูมานอินถึงกับพูดไม่ออกฉินเสี่ยวเยเว่คนนี้สนใจแต่ขาเข้าไม่สนใจขาออกจริงๆเมื่อทั้งสองกลับมาที่ห้องเกาฉางเหอกับลุงหวังกําลังปรึกษาเรื่องซื้อเนื้อกันอยู่พอเห็นซูมานอินผิวฉินเสี่ยวเยเว่เดินเข้ามาทั้งคู่ก็รีบเข้ามาถามไถยด้วยความหงยยุดหงิเป็นอย่างไรบ้างแม่หนูในบ้านมียาแก้ปวดนะ่ากินสักสองเม็ดประคองอาการไหมลุงหวังมีสีหน้ากังวลเสี่ยหวังเองก็ดูเป็นห่วงมากแต่จะกินสุ่มสี่สุ่มห้าได้อย่างไร หรือจะกลับไปหาหมอในอำเภอครับไม่เป็นไรหรอกค่ะนางแค่ไม่ได้กินเนื้อมานานพ่อจู่จู่กินเข้าไปเยอะลำไส้เลยรับไม่ไหวซูมานอินอธิบายปนยิ้มกินขนมปังข้าวโพดไปซับน้ำมันหน่อยแล้วไปนอนคว่มบนเตียงข้างศักภพักก็ดีขึ้นแล้วค่ะตอนสูมานอินยังเด็กคุณย่าของนางก็เคยบอกนางแบบนี้เหมือนกันขนมปังข้าวโพดมีจะแม่หนูเดี๋ยวลุงไปหยิบมาให้ ลุงหวังรีบเดินเข้าไปในห้องเพื่อหยิบขนมปังเกาฉางเหอจึงดึงซูมานอินมาคุยข้างๆผมคุยกับลุงหวังเรียบร้อยแล้วเนื้อหมูของเขาหลังจะเก็บไว้ใช้ในงานมารีนี้แล้วยังเหลืออีกประมาณ 30- สถึงสี่สช่างขายช่างละ8ดเหมาห้าเฟินคุณว่าราคานี้เหมาะสมไหม8ดเหมาห้าเหมาะสมมากค่ะแต่แบบนี้คุณลุงจะไม่ขาดทุนเลยคะเนื้อนี้เดิมทีเขาก็เก็บไว้ใช้ในงานแต่งอยู่แล้วไม่ได้กิดจะเอาไปขายเกาฉางเหออธิบายพลางยิ้มนี่เป็นราคาที่ลุงหวังเสนอเองเลยนะผมไม่ได้ต่อรองสักนิด ตกลงค่เนื้อส0ิกว่าช่างนี่ค่าเอาหมดเลยซูมานอินควักเงินส5ิบห้าหยวนออกมาอย่างใจปั้มยื่นส่งให้เกาชังเหอคุณนี่ส่งให้ลุงหวังโดยตรงละ่ะสูมานอินสายหน้าข้าเป็นแม่ม่บ้านเขากำลังจะมีงานมงคลให้เขาใช้เงินจากมือข้ามันจะไม่ดีเกาชังเหอหัวเราะนี่คุณยิงเชื่อเรื่องงมงายพวกนี้อีกเหรอที่นี่เราไม่ถือเรื่องพวกนี้กันหรอกเกาชางเหอดันเงินกลับไปให้สูมานอิน เงินนี้คุณเอาไปให้ลุงหวังเองเถอะผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าของพวกคุณหรอกลุงหวังเป็นคนซื่อสัตย์มากเขาหยิบขนมปังข้าวโพดมาให้จานหนึ่งชิ้นเสียวเวย่เหย็บชิ้นที่เล็กที่สุดมาทานภายใต้สายตาให้กำลังใจของซูมานอินอื่มอร่อยค่ะชิ้นเสี่ยวเย้เวฝืนยิ้มแค่รู้สึกสากคอไปนิดหน่อยซูมานอินกลั้นขำพางก้าวเข้าไปหาลุงหวังลุงหวังค้าเนื้อพวกนั้นพวกเราตกลงรับไว้แค่นี้เงินลุงรับไว้เถอคะค่ะ ลุงหวังยิ้มพลางรับเงินไปนับดูแล้วก็พบว่ามีเงินอยู่35หยวนแม่หนูให้เยอะไปหรือเปล่าเนื้อพวกนั้นน่าจะมีแค่สาสิกว่าช่างไม่ถึงสี่สิบช่างหรอกนะลุงหวังหยิบธนบัตรใบใหญ่ไปสามใบแล้วส่งเงินหหยวนที่เหลือคืนมาหมูเลี้ยงเองทั้งนั้นไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรนะักหรอกส0ิหยวนลุงก็กำไรแล้วซูมานอินไม่คิดเลยว่าจะยังมีคนที่รังเกียจว่าคนอื่นให้เ ง, เงินเยอะเกินไปแบบนี้ด้วย หลังจากเกี่ยงกันไปมาอยู่พักใหญ่ในที่สุดซูมานอิงก็หาข้ออ้างที่ฟังดูดีขึ้นมาได้ลุงหวังคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเงินห้าหยวนนี่ถือเป็นเงินใส่ซองช่วยงานแต่งจากพวกเราแบบนี้ตกลงไหมคะชินเสียวย่าได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าซูมานอิงที่งกไปหน่อยกำลังจะอ้าปากบ่นแต่ลุงหวังกลับพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าห้าหยวนมันเยอะเกินไปแล้วแบบนี้แบบนี้จะต้องไปนั่งโต๊ะประธานแล้วนะชินเสียวย่าอึ้งไปเลยเงินใส่ซองห้าหยวนถึงกับได้นั่งโต๊ะประธานเลยเชียวหรือ ถ้าลุงหวังรู้ว่าในอีกสี่ิบกว่าปีข้างหน้าเงินห้ารอหยวนยังเข้าห้องส่วนตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อลุงหวังห่อเนื้อหมูสามชั้นเกือบสี่สิบช่างด้วยกระดาษไขแล้วใส่ถุงปุยูเรียแบกออกมาสู่ม่านอินกับฉินเสี่ยวเย่าถึงกับตาค้างเนื้อหมูสี่สิบช่างมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนื้อเยอะขนาดนี้พวกเราจะใช้หมดในมื้อเดียวหรอคะฉินเสี่ยวเย่ว่ามด้วยความกังวลหรือจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาทำหมูรมควันดีไหมหมูรมควัน ก้าวชังเอถามด้วยความสงสัยพวกคุณทำหมูรมควันเป็นด้วยเหรอซูมานอิงกับฉินเสี่ยวเย่เวมองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนก่อนจะสายหน้าบอกว่าเคยแต่กินไม่เคยทำก้าวชังเหอหัวเราะ อ, อย่างเหนื่อยใจตอนผมเป็นทหารก็เคยได้กินหมูรมควันที่เพื่อนทหารหิ้วมาจากบ้านเกิดเหมือนกันแต่แถวนี้ยังไม่มีใครทำหรอกกินกันไม่ค่อยชินดูถ้าคงต้องซื้อตู้แช่แข็งสักเครื่องแล้วละ่ะ ซูมานอิมเริ่มครุ่นคิดหากมีตู้แช่แข็งต่อไปจะซื้อเนื้อมากแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียยิ่งไปกว่านั้นนางยิงมิกถึงลู้ทางทำธุรกิจดีๆขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งตู้แช่แข็งราคาไม่ถูกเลยนะแถมยังต้องมีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเกาชัางเหอเตือนด้วยความหวังดีแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อข้ามิอย่างนั้นต่อไปคงลำบากแน่ ซูมานอินนึกถึงเรื่องที่เกาชางเหอเคยช่วยจัดการเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปากถามเขาหัวห น, น้าสถานีเขาคุณรู้จักคนเยอะพอจะช่วยหารู่ทางหน่อยได้ไหมเขาว่าจะหาตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับตู้แช่แข็งได้อย่างไรเกาชางเหอตอบรับอย่างรวดเร็วตกลงไม่มีปัญหาแล้วเนื้อพวกนี้เจ้าจะจัดการอย่างไรเนื้อ30มสช่างจะเอาไปตุนทันทีที่กลับถึงบ้านส่วนที่เหลือค่ากับ ว, ว่าจะห่อเกี๊ยวซูมานอิ้ยิ้มอย่างร่าเริง เรื่องเหลียงข้าวที่เคยรับปากไว้ข้าไม่ลืมหรอกนะเกาฉางเหอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะร่าตามไปด้วยสหายฮซูยอมทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ดีแล้วเรื่องตู้แชแข็งยกให้เป็นหน้าที่ของข้าเกาฉางเหอเองเสี่ยวหวังที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกว่ารองหัวหน้าสถานีของตนดูแปลกไปเล็กน้อยไม่ใช่แค่จะไปกินข้าวที่บ้านของสหายหญิงคนนี้แต่ยังเริ่มรับปากเป็นมั่นเหมาะเตรียมจะใช้เส้นสายช่วยจัดการธุระให้เสียด้วย ตัวซื้อตู้แช่แข็งเชียวนั้น น, นมันเคลื่อนใช้ไฟฟ้าที่หาได้ยากยิ่งและเป็นที่ต้องการอย่างมากกล้ารับปากถึงเพียงนี้ดูท่าสู่มานอิงคนนี้ในใจของรองหัวหน้าสถานีก็คงจะไม่ธรรมดาเสียแล้วเมื่อรถแทรกเตอร์ปรากฏขึ้นอีกครั้งฉินเสี่ยวเหยาวยังไม่ทันจะขึ้นรถก็รู้สึกใจสั่นขึ้นมาเสียก่อนหรือเจ้าจะนั่งบนบางโคลนล้อรถแทรกเตอร์ดูละ่ะเสี่ยวหวังแนะนําด้วยความหมังดีนั่งตรงนั้นน่าจะดีขึ้นบ้างเสียวหวังต้องอยู่ช่วยงานที่นี่ต่อจึงไม่ได้ตามรถไปด้วย ชิ้นเซียวโยเยบ์บอกรองนั่งมาสองใบรองก้นไว้จากนั้นก็คว้าที่จับตรงที่นั่งรถแทรกเตอร์เอาไว้แน่นสหายฮซูเจ้าอยากนั่งบนบังโคลนอีกฝั่งไหมเก้าช้างเหอเอ่ยเตือนด้วยความหวังดีแต่ซูมานอินโบกมือปฏิเสธไม่ล่ะข้าไม่เป็นไรพอทนได้อีกอย่างข้าต้องคอยเฝ้าเนื้อของข้าด้วยเก้าช้างเหอหัวเร้อขำทำไมกลัวข้าจะแอบกินเนื้อระหว่างทางหรืออย่างไรข้ากลัวจริงๆนะห้าห้า ชินเสี่ยวเยาเห็นกับประมองทั้งสองคนที่คุยเล่นกันอย่างสนุกสนานในใจพลันรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเผือกเม็ดโตที่แสนหวานรถแทรกเตอร์วิ่งไปตามถนนดินลูกรังส่งเสียงดังคลืดคราดมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอชินเสียวเย่เอนั่งอยู่บนบางโคลล้อแม้จะยังมีการกระแทกอยู่บ้างแต่ก็นับว่าดีกว่านั่งในกระบะรถมากนะักทว่าในตอนนี้ซูมาร์อิงกลับเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวสหายซูเจ้าไม่สบายหรือเกาช้างเหอถามด้วยความหงอยยย ข้าจะบอกให้ท่านอาจารย์ขับช้าลงหน่อยไม่ต้องหลอกซูมานอินมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดมิดลงแล้วดึงเกล็ดฉางเหอกลับมาข้าน่าจะกินเยอะไปหน่อยพอรถกระแทกเลยรู้สึกเผือพอมลุกขึ้นยืนก็น่าจะดีขึ้นแล้วซูมานอินจับขอบกระบะรถเพื่อพยุงตัวลุกขึ้นยืนใครจะไปรู้ว่าสลักล็อกขอบกระบะกลับไม่แน่นหนาะพอเธอออกแรงขอบกระบะก็ล้มพับออกไปข้างนอกทันทีผาอาร่างของเธอทลาตกตามไปด้วย เกาชังเหอที่เพิ่งลุกขึ้นยืนเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเขาจึงรีบใช้แขนคว้าร่างของซูมานอินกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ด้วยแรงเหวี่ยงร่างของเขาจึงหงายหลังไปแทนหัวหน้าสถานีการระวัง